ได้ทรงกำหนดให้พุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่รมผู้ใฝ่ความสุขความเจริญของจิตใจผู้ใฝ่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ของจิตใจให้ได้หยุดภารกิจการงานต่างๆที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพทำรรมาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็หาความสุขจากโลกก็ทำทั้งสี่คือลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายให้เอาเวลามาสร้างธรรมะกันมาสร้างความสุขความเจริญทางด้านจิตใจกัน มาช่วยกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญยิ่งกว่าลาบยศสละเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสำคัญยิ่งกว่าชีวิตร่างกาย เพราะของเหล่านี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่ยั่งยืนถาวรอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาได้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหามาได้มากน้อยเพียงไร พอร่างกายตายไปท <c> ร <oughs> ัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็กลายเป็นของคนอื่นไป <c oughs> ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่สามารถเอาอะไรไปไม่สามารถเอาลาบยศสรรเสริญสุขไปได้ <c oughs> ไม่สามารถเอาร่างกายนี้ไปได้ <c oughs> สิ่งที่เอาไปได้ก็สิ่งที่เกิดจากการกระทําของใจเท่านั้นคือบุญหรือบาปที่ได้ทำในขณะที่ทำมาหากินหาราบยศสรรเสริญสุขกันอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะให้คุณให้โทษต่อจิตใจก็คือบุญและบาปนี่เอง บุญนี้เป็นสิ่งที่จะให้คุณกับจิตใจให้ความสุขให้ความเจริญแก่จิตใจส่วนบาปนี้จะให้โทษกับจิตใจให้ความทุกข์ให้ความเสื่อมแก่จิตใจอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเพราะจิตใจเป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ ที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่มีวันดับไม่มีวันตายไม่มีวันสูญแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหากันด้วยร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เราเอาไปไม่ได้เลยมันอยู่กับโลกนี้ไปต่อไปเนือ เอไปโลกนี้มันก็อาจจะดับไปแม้แต่โลกนี้สักวันหนึ่งมันก็จะ <c oughs> กลายเป็นโลกร้างไปได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังอนัตตาทุกขังอานิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นมา ก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นของใครมาควบคุมบังคับได้เป็นของธรรมชาติโ mm hmm. ลกเหล่านี้ถ้าเกิดดวงอาทิตย์มันหมดแสงสว่างเมื่อไหร่ mm hmm. ความร้อนที่เราได้รับจากดวงอาทิตย์มันก็จะไม่มี แล้วโลกเรานี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับตู้เย็นเหมือนกับตู้เย็นตู้แช่แข็งทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะต้องตายหมดเพราะว่าไม่มีความร้อนขาดธาตุไฟโลกเหล่านี้อยู่กันได้เพราะมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพอเพียงต่อการดํําาต่อกรดาเนินชีวิตได้ ถ้าขาดธาตุไฟเพียงธาตุเดียวเหลือแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนี่ไม่สามารถทำให้สิ่งต่างๆมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นี่คือเรื่องของโลกกระทคือราบยศสาเสริมสุขทำมาจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทท่านั้นเอง แล้ววันใดวันหนึ่งธาตุธาตมันบกพร่องธาตุดท่านหนึ่งบกพร่องไปขาดไป <c oughs> วันนั้นสิ่งที่มีชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้กันเในโลกเรา น, นี้บางส่วนมีธาตุไม่ครบเช่นในทะเลทรายไม่มีธาตุน้ํามีแต่ธาตุลมธาตุไฟธาตุดินก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไร ในขั่วโลกเหนือขั่วโลกใต้<ม>ก็ไม่มีธาตุไฟถ่ายความร้อน<ม>ก็ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้<ม> <c oughs> ดังนั้นขอให้เราพยายามมองโลกให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเป็นโลกของความไม่ถาวร อ, อนิจจงไม่ยั่งยืน มีเจริญแล้วมีเสื่อมเป็นธรรมดาเป็นโลกของธรรมชาติไม่ใช่เป็นโลกของเราที่เราจะสามารถควบคุมบังคับให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดวันหนึ่งร่างกายของเรามันก็จะต้องสิ้นสุดลงยุติลงเพราะว่ามันเมื่อมันหยุดหายใจเมื่อไหร่ มันก็าขาดขาดธาตุลมขึ้นมาทันทีพอไม่มีธาตุลมการทำงานของร่างกายก็ต้องหยุดชะ ง, งักทันทีคือเราเรียกว่าตายกันแต่ความจริงมันเป็นการหยุดทำงานของของธรรมชาติของธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัวกันแล้ววันใดวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถหายใจได้ พอไม่มีลมเข้าไปเลี้ยงเราเลียงสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายอวัยวะต่างๆนี้ต้องการลมหายใจส่วนหนึ่งนอกจากลมหายใจแล้วก็ต้องการน้ำต้องการดินคืออาหารต่างๆแล้วก็ต้องการความร้อนคือไฟแต่พอเกิดการหยุดชะ ง, งักของการเข้าของาธาตุทั้งสี่ ธาตุใดธาตุหนึ่งร่างกายก็ต้องถึงแก่ความตายไปถ้าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีน้ำร่างกายก็ต้องตายถ้าอดน้ําไปนานๆขาดน้ามันก็ตายได้ขาดลมมันก็ตายได้ขาดธาตุไฟก็ตายได้ขาดธาตุดินคือขาดอาหารที่เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายมันก็ตายได้ นี่คือสิ่งที่เรากําลังไปกังวลกันกําลังไปแก้กันซึ<ม>่งแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้<ม>กังวลยังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้<ม>ให้เรามาแก้สิ่งที่เราแก้ได้ดีกว่า สิ่งที่เราแก้ได้ก็คือใจของเราใจของเรานี้เป็นใจที่เป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้สูญไปกับราบยุศสารเสนสุขใจของเรายังสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีร่างกายไม่มีราบยุสสศสารสนสุขนี้จะอยู่แบบไหนท่านั้นเองที่เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ การอยู่ของใจก็อยู่ได้ในรูปแบบที่มีแต่ความสุขความเจริญหลืออยู่ในรูปแบบที่มีแต่ความทุกข์ ม, มีแต่ความวุ่นวายใจใจเวลาที่ไม่ได้อยู่กับร่างกายนี้ก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณไปเราเรียกว่ากายทิพย์ อ, อยู่ในโลกทิพย์ โลกทิพก็มีมีมีมีสิ่งที่อยู่ในโลกทิพคือกายทิพย์ต่างๆกายทิพย์ที่มีความสุขเราก็เรียกว่าเทวดาอินพรมกายทิพย์ที่มีความทุกข์เราก็เรียกว่าเปรตนรกอาสุรกาย <c oughs> อันนี้แหละสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะไปเป็นกัน จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามตอนนี้กายทิพย์ของพวกเรายัางอยู่กับร่างกายอยู่อาศัยร่างกายเป็นเครื่องอยู่อาศัยความสุขเล็กๆน้อยๆความสุขชั่วคราวจากการได้เสษโลกธรรมทั้งสี่เพือราบยศสาร ส, สุขแต่วันหนึ่งมันก็จะต้องสิ้นสุดลง พอสิ้นสุดลงแล้วใจก็ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายไปหาความสุขให้กับตนเองได้สิ่งที่ใจจะต้องอาศัยให้ความสุขกับใจต่อไปก็คือบุญและกุศลต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราชาวฟุตมันสะสมกันมันสร้างกันขึ้นมา เก็บไว้ในใจได้บุญกุศลนี้เป็นสิ่งที่เราเก็บไว้ในใจได้เช่นเดียวกับบาปอากุศลเราก็เก็บไว้ในใจได้แต่บาปอากุศลนี้มันให้โทษกับใจมันเป็นเหมือนยาพิษที่เราไม่ต้องการสะสมไว้ในร่างกายทุกวันนี้ร่างกายของเราบางทีก็สะสมสารพิษเข้าไปโดยไม่รู้สึกตัว แลสารพิษนี่แหละที่เป็นไปตัวเป็นตัวที่ไปสร้างโรคมาแรงต่างๆให้แก่อวัยวะของร่างกายนะมีมะเรงในปอดนะเอาสารพิษดูดควันบุหรี่ดูดควันอะไรต่างๆเข้าไปสะสมไว้ในร่างกายปอดเป็นที่รับสารพิษที่เข้ามาทางอางกาศทางลมหายใจ <c oughs> สารพิษชนิดอื่นก็เข้าไปทางลำไส้ เข้าไปในร่างกายด้วยการกินเข้าไปด้วยการดื่มดื่มสารายามเมาดื่มของที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายไม่นานร่างกายก็จะมีโรคมะเร็งในตับในกระเพาะอามมาหรือโรคตับแข็งอันนี้เป็นผลจากการที่เราเอาสารพิษเข้าไปทางร่างกายมันเป็นโทษเป็นอันตรายต่อร่างกาย มันทำให้ร่างกายของเรานี้ถึงแก่ความตายได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วอ น, นี้คือสารพิษทางร่างกาย <c oughs> สารพิษทางใจก็คือการกระทำบาปต่างๆนี่แหละที่จะทำให้เกิดโทษต่อจิตใจโทษต่อจิตใจก็คือความทุกข์ใจความเครียดความเศร้าความห ว, วาดกลัว ความวิตกกังวลความห่ยงใยความที่รู้สึกที่ไม่ดีต่างๆนี้มันเป็นเป็นเป็นผลที่เกิดจากการกระทำบาปทำอกุศลของเราทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เกิดขึ้นมาของมันเองถ้าเราไม่ทำบาปไม่ทำอกุศลโทษหรือพิษที่จะมาทำให้ใจของเราเครียดทำให้ใจของเราทุกข์ ทำให้ใจของเรากินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายมันจะไม่มี <c oughs> มันจะมีเฉพาะเพราะว่าเราไปทำบาปกันเท่านั้นเอง <c oughs> ในขณะที่ร่างกายไม่มีเราก็จะต้องอาศัยบุญหรือบาปที่เราได้สะสมไว้เป็นผู้ให้ความสุขหรือให้ความทุกข์กับเรา ถ้าเราต้องการจะมีแต่ความสุขหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว<ม>เราก็ต้องพยายามสะสมบุญสะสมกุศลไว้ให้มากๆ<ม>แล้วก็ทำบาปให้น้อยๆ<ม>ถ้าไม่ทำได้เลยยิ่งดีใหญ่เ<ม><ม>พราะบาปก็เหมือนอย่างที่พูดเนี่ยเป็นเหมือนสารพิษของร่างกายของจิตใจ เราไม่ต้องการสารพิษของร่างกายกันเวลาเราซื้ออาหารเดี๋ยวนี้เรามักจะเลือกอาหารสุขภาพกันอาหารที่ปลอดสารพิษเนี่ยผักปลอดสารพิษเนื้นอสัตว์ปลอดสารพิษอะไรต่างๆถ้ <c oughs> ากินสารพิษเข้าไปแล้วมันจะทําให้เกิดโรคร้ายต่างๆตามมาฉันใดใจเราก็อย่าเอาสารพิษเข้าไปในใจของพวกเรากัน สารพิษที่จะมาทำร้ายสร้างความทุกข์สร้างความเพียรสร้างความเศร้าสร้างความความวุ่นวายใจสร้างความหวาดกลัวกันนี่โดจากการทำบาป ท, ทำมาคุศลกันเท่านั้นเ <c oughs> องพระพุทธเจ้าจึงต้องกำหนดวันพระขึ้นมานี่เพราะถ้าไม่กาหนดวันพระนี่ ก็เราจะไม่รู้ว่าเรามีสิ่งเรามีงานสําคัญที่เราจะต้องทำกันเพื่อตัวเราเองอเวลาที่เราพูดถึงเราเนี่ยความจริงเราก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่ผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้รู้ผู้คิดนี้ก็คือใจใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายใจที่จะอยู่ต่อไปที่อยู่ใน รูปแบบของกายทิพย์รูปแบบของดวงวิญญาณแล้วก็จะเสพสุขหรือทุกข์ที่เกิดจากบุญหรือบาที่ทาไว้เนี่ยวันพระเป็นวันที่เราจะต้องมาเตรียมตัวกันเตรียมตัวไปอยู่ในโลกทิพย์หลังจากที่ร่างกายที่เราใช้อาศัยอยู่ในโลกนี้มันสิ้นสุดลง ก็เหมือนกับเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขามีวีซ่าให้เรากําหนดไว้อยู่ให้เราอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีพอมีวีซ่าหมดเราก็จะต้องกลับประเทศของเราขณนใดประเทศของเราคือกายทิพย์ของพวกเราก็อยู่ในโลกทิพย์นี่และการที่อยู่ในโลกทิพย์อย่างมีความสุขก็ต้องมีบุญเป็นเหตุ เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราแล้วเราก็ไม่ต้องการที่จะไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์คุกตารางของโลกทิพย์ก็คืออบายการเป็นไปไปเป็นเปรตเป็นเดลัฉะเป็นอสุรกายเป็นนรกนี่เป็นเหมือนคุกตารางเป็นที่จับจับจับดวงวิญญาณไปลงโทษ การที่จะทำให้เกิดโทษต้องไปติดทุกติดตารางก็คือการกระทำบาปต่างๆนี่ <c oughs> วันพระจึงเป็นวันที่เราจะต้องมาละ บ, บาปกันมาสร้างบุญสร้างกุศลกันเพื่ <c oughs> อที่เวลาที่ร่างกายเราตายไปเราจะได้มีสเสบียงไปกับเรามีมีบุญมีความสุข มีบุญที่จะสร้างความสุขให้กับเราไปแล้วก็ไม่มีบาปที่จะไปสร้างความทุกข์ที่จะพาให้เราไปติดทุกติดตารางไปวันพระเป็นวันที่เราจะต้องมาทำงานทางด้านจิตใจกันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็เอาสักวันหนึ่งก่อนแต่ถ้าเป็นไปได้ต่อไป อาจจะต้องทำแบบทุกวันเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการสร้างบุญสร้างกุศลละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะมันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อจิตใจของเราและจิตใจของเรานี้หนีหลีกเรี่ยงบาปหรือบุญที่สร้างไว้ไม่ได้เลยหลีกเรี่ยงผลบาปผลบุญที่สร้างไว้ไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่ จะต้อง <c oughs> จาก่านกายไป<ม>ผลของบาปผลของบุญมันก็จ ะ, สะแสดงขึ้นมา ท, ทันท<ม>ีตอนนี้เรามีบุญสะสมไว้เท่าไหร่เรามีบาปสะสมไว้เท่าไหร่ลองศึกษาลองย้อนกลับไปดูในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนี้เราทำบุญกันทักเท่าไหร่เราทำบาปกันทักเท่าไหร่ เป้าหมายถ้าเป้าหมายของของการไปไปสู่สุคติคือไปสู่ที่ที่สุขที่จเจริญก็คือต้องทำบุญให้มีมากกว่าบาปบาปนี้เราอาจจะอดีตเราเคยทำมาแล้วเพราะเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของเรา แต่หลังจากที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้เรื่องบุญเรื่องบาปแล้วเราต้องพยายามตั้งแต่บัดนี้ไปพยายามละ บ, บาปกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็พยายามทําบุญให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพือ่อที่เวลาที่เราต้องจากร่างกายนี้ไป บุญนี้มันจะมีมากกว่าบาปแล้วบุญนี้ถ้ามันมากกว่าบาปมันก็จะเป็นผู้ที่จะดึงให้ใจเราไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆแต่ถ้าเราทำบุญน้อยกว่าบาปบาปมากกว่าบุญตายไปบาปจะเป็นผู้ที่จะดึงให้เราไปติดทุกขติดตารางในโลกทิพย์กัน ไปเป็นเดใไปเป็นเปรตเป็นปนสุรกาย<ม>ไปนรกกัน<ม><ม>ถ้าเรามัวแต่ทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้โอกาสที่เราจะได้ทำบุญมันน้อยมากแล้วก็โอกาสที่จะทำบาปมันมากเพราะเวลาทำมาหากินเราก็ต้องการที่จะได้ทรัพสมบัติเงินทองมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว<ม> ถ้ามีเหตุมีช่องทางที่จะทำให้เราได้เงินได้ทองมาด้วยการทำบาปเราก็อาจจะทำบาปก็ได้ถ้าเราไม่ได้มีความศรัทธามีความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปจริงจริงจังจงเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่เวลาถึงเวลาที่จะต้องได้เงินขึ้นมานี่ แล้วต้องท่องทำบาปนี่บางทีก็ทำไปลืมเรื่องบาปไปก็ได้เพราะว่าเห็นความสําคัญเห็นความสําคัญของการได้เงินทองมามากกว่าเห็นโทษของการทําบาปนั่นเองแต่ถ้าเรามีวันหยุดอย่างวันนี้วันพระมาแล้วเรามีความตั้งใจเพราะเรามีศรัทธาความเชื่อ ในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าการทําบาปนี้มันจะเป็นโทษกับจิตใจของเราการทําบุญนี้มันจะมีแต่คนมีประโยชน์กับจิตใจของเราเราก็จะได้เอาเวลาของวันพระนี้มาละบาปกันหยุดทํางานสักวันหนึ่งแล้วก็ มาทำบุญกันมาถือศีลกันอันนี้เป็นการกระทาในเบื้องต้นในเรื่องที่มันมีผลกระทบต่อจิตใจของเราก็คือเรื่องบุญเรื่องบาสนอกจากสิ่งที่มีผลกระทบต่อจิตใจของเราคือบุญและบาสนะั้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเราคับ ก็คือกิเลสตัณหานี่เอง<ม>กิเลสตัณหาเนี้เป็นตัวที่มีผลกระทบต่อจิตใจในด้านของการสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจและเป็นผู้ที่จะดึงจิตใจให้ไปมีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆเช่นหลังจากที่ร่างกายอันนี้ที่เรามีอยู่นี้ มันตายไปเราก็จะอยู่ในโลกทิพย์ไปรับผลบุญผลบาปไปก่อนพ อ, อผลบุญผลบาปมันบทอิทธิพลต่อใจของเราแล้วไม่สามารถดึงให้เราอยู่ในสวรรค์หรือดึงให้เราไปอยู่ในอบายได้แล้วตอนนั้นใจของเราก็จะถูกกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี้ ดึงให้เราไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กับร่างกายอันใหม่อีกรอบหนึ่งการมีร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของที่เป็นความสุขความสบายทุกคนก็รู้ว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเลี้ยงมันถ้าไม่เลี้ยงมันมันก็จะต้องตายทันที อย่าทุกชีวิตเมื่อออกจะมาจากท้องแม่แล้วนี้ต้องดิน้นรนต้องดิน้นรนต่อสู้กับความตายกันทุกคน mm hmm. เด็กทารกนี้ออกมาสิงแรกต้องดิน้นรนก็คือหายใจเองขณะที่อยู่ในท้องแม่นี้ไม่ต้องหายใจอ mm hmm. าศัยลมหายใจของแม่มาหล่อเลี้ยงร่างกายของตนได้แต่พอออกจากท้องแม่แล้วตัดสายสะดือแล้วทีนี้ ปจัจใจสี่ที่หล่อเลี้ยงทารกจากแม่นี้ก็จะไม่ไม่สามารถหล่อเลี้ยงได้แล้วทีนี้ทารกก็ต้องดินน้นรนเพื่ออยู่รอดนะทารกคนไหนถ้าออกมาแล้วหายใจไม่เป็นหรือหายใจไม่ได้ก็ตายทันทีต้องหายใจแล้วแล้วขั้นต่อไปกะ พอหายใจได้แล้วได้ธาตุลมแล้วขั้นต่อไปก็หิวน้ำเนาะก็ต้องหาน้ำดื่มแมาก็ต้องเอานมมาให้ดื่มเอาน้ำมาให้ดื่ม ใ, ในนมในลมในในนมก็จะมีธาตุดินผสมอยู่ด้วยสารอาหารต่างๆที่ผสมอยู่ในนมนี่ก็จะเป็นธาตุดินที่จะหล่อเลี้ยงให้ร่างกายจเจริญเติบโต ความร้อนก็ต้องมีผ้าคอยห่มให้เวลาที่อากาศมันเย็นจนไปมีเสื้อผ้ามีอะไรต่างๆเบื้องต้นก็เป็นภาระของพ่อแม่เป็นความทุกข์ของพ่อแม่ที่จะต้องเลี้ยงร่างกายของลูกไปถ้าอยากจะรู้ว่าพ่อแม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็ลองไปเป็นพ่อแม่ดูสั ก, สกวันหนึ่งลองไปมีลูกดูแล้วดูว่าการเลี้ยงลูกนี้มันสุขสบายหรือมันทุกข์กันแน่ ลูกมันจะเรียกใช้บริการเมื่อไหร่มันก็ร้องขึ้นมาทันทีลึกๆเดิน ๆ, ๆถ้ามันหิวน้ํามันปวดท้องฉี่หรือปวดท้องอะไรก็ตามมันก็จะร้องอย่างเดียวพ่อแม่ที่นอนหลับอยู่ก็ต้องตื่นขึ้นมาลองมาดูว่ามันต้องการอะไรวะต้องการน้ําต้องการฉี่หรือต้องการอะไรจัดการให้มัน พอมันหายร้องก็แสดงว่ามันได้สิ่งที่มันอยากได้แล้วก็กลับไปนอนอีกแล้วก็ต้องเลี้ยงอย่างนี้ไปจนกว่าลูกจะโตขึ้นมาแล้วเลี้ยงดูตัวเองได้กว่าจะเป็นตัวเป็นตนกว่าจะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ก็อายุยี่สิบเข้าไปแล้วอย่างน้อยยิ่งสมัยนี้ถ้าเรียนหนังสือด้วยก็บางทีก็ยี่สิบห้าก็มี กว่าที่จะไม่ต้องพึ่งพ่อแม่นะ<ม>ชีวิตพอมีร่างกายแล้วมันมีความทุกข์<ม>ทุกในการดำรงชีพ<ม>ทุกในการทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง<ม>แล้วก็ต้องมาทุกข์กับภัยต่างๆอีกภ<ม>ัยที่เกิดจากธรรมชาติฝน<ม>ตกฟ้าน้ำท่วมไฟไห ม, ม, มลมพายุอะไรต่างๆ ก็อาจจะเป็นเหตุที่อาจจะทำให้ร่างกายนี้ตายได้แล้วก็ภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ <c oughs> ร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่บอบบางมาก <c oughs> เดี๋ยวโดนเชื้อโรคชนิดนั้นชนิดนี้เข้ามาก็ตายได้ <c oughs> ช่วงที่มีโควิดนี่ร่างกายของคนตายไปเป็นล้านเลย แล้วก็มีภัยจากบุคคลและสัตว์ที่ร้ายแรงที่เป็นอันตรายคนที่ใจโหดร้ายทารุณก็จะมาทำร้ายร่างกายหรือมาจับร่างกายไปกักขังหน่วงเหนียวเพื่อเอามาทำประโยชน์ให้กับเขา ม, มีการค้ามนุษย์ต่างๆทั้งวันนี้ นี่คือความทุกข์ในของการที่เรามาเกิดกันถ้าไม่อยากจะต้องนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะมาเจอทุกข์ของของความแก่ของความเจ็บของความตายของร่างกายด้วยร่างกายของทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วนี้หนีความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้สรุปแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าการมาเกิดนี้เป็นทุกข์ และผู้ที่มาทำให้เรามาเกิดกันก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างโดยเฉพาะความอยากสามชนิดด้วยกันตัวหนึ่งความอยากหาความสุขจากกามคุณหา้าคือรูปเสียงกลิ่นรสพุทะเรียกว่ากามตัณหาความอยากชนิดที่สองก็คือภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น อยากมีนั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ขึ้นมาก็ต้องดิ้นรนเข้าหาหาสิ่งที่อยากได้อยู่เฉยเฉยไม่ได้ความอยากชนิดที่สามก็คือวิภาวตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากอยากไม่มีนี่ไม่มีใครอยากมีนี่กันอยากไม่มีพิษมีภัยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นต้น mm hmm. นี่เรียกว่าวิภาวะตัณหา <c oughs> เวลาเกิดตัณหาขึ้นมามันจะทำให้ใจนี้ต้องดินต้องดินเข้าหาหรือดินหนี mm hmm. mm hmm. พอไม่มีร่างกายก็อยากจะมีร่างกาย mm hmm. พออยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะชนิดต่างๆ mm hmm. การจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้วกาย mm hmm. ก็ต้องมีร่างกายอยู่เป็นกายทิพ์ได้ชัช่วชั่วระยะหนึ่งในช่วงที่รับผลบุญผลบาปไปพอผ่านช่วงนั้นไปแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับใจเพราะบุญก็หมดแล้วบุญที่ได้ทำสะสมไว้มันก็หมดแล้วบาปที่ไปใช้มันก็หมดแล้ว เรื่อไม่มีอิทธิพลต่อ จ, จิตใจแล้วตอนนั้น จ, จิตใจก็จะเิ้นหาร่างกายต่อไปอก็ต้องอาจจะต้องไปรอเข้าคิวเพราะการจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้มันไม่ใช่ง่ายไม่เหมือนกับการเกิดของเดรัจฉานเดรัจฉานนี่เขามีพ่อแม่มากมีจำนวนมากกว่าเวลามีลูกทีก็มีลูกเป็นฝูง แต่การที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งนี้อาจจะต้องเข้าคิวยาวรอคิวก่อนเหมือนนักศึกษาที่ต้องการจะสอบเข้ามาหาลัยปีหนึ่งนี้เขารับได้เพียงจำนวนจำกัดแต่ผู้ที่จบจากม .6 มาที่อยากจะเข้ามาหาลัยนี้มีจานวนมากกว่าเมื่อเข้ามาหาลัยไม่ได้ก็ต้องไป ทำอะไรอย่างอื่นก่อนอาจจะไปทํางานไปแล้วก็เรียนมหาลัยแบบมหาลัยเปิดไปหรือไม่เช่นั้นก็ไปเรียนวิชาชีพยอย่างอื่นไปทํางานไปก่อนยังไม่สามารถที่จะไปจบปรบิญญาไปเรียนปริญญาได้การมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันบางทีเมื่อเจตที่เป็นดวงวิญญาณที่ได้พ้นสภาพจากอิทธิพลของบาปและบุญแล้ว ก็จะอยู่ในสภาพรอรับการเป็นมนุษย์แต่ถ้ายัางไม่เป็นมนุษย์ก็ต้องอยู่ในโลกที่ไปอย่างนั้นไปก่อน <c oughs> ก็จะอยู่ด้วยความรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจเ <c oughs> พราะไม่ได้เสพรูปสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะต่างๆที่อยากจะเสพนั่นเอง <c oughs> การมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยาก <c oughs> แล้วพอเกิดแล้วก็ก็เป็นทุกข์เอง ฉนั้นสรุปแล้วก็อย่ามาเกิดดีกว่านาการที่เราจะไม่กลับมาเกิดได้นี่เราก็ต้องกําจัดเหตุที่ดึงให้เรามาเกิดกันเหตุก็คือตัณหาความอยากทั้งสามนี่เความอยากรูปอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโกรธสะพ้อันนี้เรามีไหมความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโกรธสะพ้หรือเราไม่มีแล้ว เาอยากจะพิสูจน์ว่ามีหรือไม่มีก็ลองถือศีนแปดดูถ้าเราถือศีนแปดได้ น, นี่ก็แสดงว่าเราไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแล้วถ้าเรายังถือศีนแปดไม่ได้นี่ก็แสดงว่าเรายังเรายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังรักษาสีทอดที่สามไม่ได้เจอไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลย ไม่สามารถรักษาศีนข้ออื่นได้ข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดได้เพราะการกระทําที่ศีห้ามนี้ก็เป็นการเสกกรรมทั้งนั้นศีแปดนี้ไว้ห้ามใจไม่ให้ไปเสกกรรมให้หยุดกรรมมาตัญหาความอยากเสกกรรมที่เป็นตัวพาให้เรามาเหยียบว่ายตายเกิดกัน แล้วก็ความอยากมีอยากเป็นก็เหมือนกันความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็เหมือนกันเราอยู่แบบตามมีตามเกิดได้ไหมไม่ต้องอ ย, อยากมีนั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ได้หรือเปล่าสุขทุกข์ก็อยู่กับมันไปได้ไหมสุขก็อยู่กับมันไปทุกข์ก็อยู่กับมันไปแต่ไม่ดิ้นไปหามันถ้าไม่มีสุขก็ Scott? ไม่ดิ้นไปหามันถ้ามีทุกข์ก็ไม่ดิ้นหนีมัน มันอยู่กับมันเป็นเฉยๆไม่มีความอยากได้หรือเปล่าไม่มีความอยากมีอยากเป็นได้หรือเปล่าถ้าเราสามารถหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ใจของเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อเราไม่เกิดแล้วความทุกข์ต่างๆที่ติดมากับร่างกายก็จะไม่มีให้เราได้เสดกัน อันนี้แหละเป็นเป็นปัญหาอีกตัวหนึ่งที่เป็นปัญหากับจิตใจที่เราจะต้องมาแก้กันให้ได้<ม>ปัญหาแรกก็คือปัญหาการทำบาปเนี<ม>่ยปัญหาอี ก, อกที่สองก็คือปัญหาที่เกิดจากการไม่มีบุญขาดบุญขาดกุศล<ม>ถ้าไม่มีบุญเวลา ร่างกายตายไปก็ต้องไปอยู่ในสภาพที่ไม่มีความสุข <c oughs> ก็ต้องทำบุญกันไว้เวลาที <c oughs> ่ <c oughs> ไม่มีร่างกายแล้ว <c oughs> เราก็จะได้ใช้บุญนี่แหละเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแล้วก็มาแก้ปัญหาตัวที่สามก็คือตายไปครั้งนี้ขอให้มันตายเป็นครั้งสุดท้ายเถออย่าได้กลับมาเกิดอีกเลยอย่าได้กลับมามีร่างกายอีกเลยเพราะมีร่างกายแล้วมันก็ ทุกอย่างที่เรารู้กันเห็นกันนี่แหละแล้วมันไม่ใช่จะกลับมาเกิดเพียงครั้งเดียวมันก็จะกลับมาเกิดไปเรื่อยๆเพราอไอตัวที่พาให้เรามาเกิดมันไม่ตายไปกับร่างกายเวลาที่ร่างกายของเราตายไปตอนนี้ความอยากมันก็ยังอยู่ในใจต่อไปความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลภาพก็ยังอยู่ในใจ ความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นมันก็ยังมีอยู่ในใจของเราไปเราต้องมากําจัดตัวนี้ด้วยตัวความอยากนี้และการที่เราจะกําจัดตัวความอยากได้นี้เราก็ต้องปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติกิจตภาวนาปฏิบัติธรร ม, มนอกจากการไม่ทำบาปแล้วนอกจากการทำบุญแล้ว เรายัางต้องมาทําอีกอย่างหนึง่งก็คือเราต้องมาภาวนากันการภาวนานี้เป็นการสร้างเครื่องมือสร้างเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดซสิ้นไปได้ดังนั้นวันพระนี่แหละเป็นวันที่พระเจ้าต้องการให้ชาวชาวพุทธเรามาทํากิจสามข้อนี้ให้เรามาละ ก, การกระทํำบาป โดยการถือศีลห้าก่อนถ้าเราเป็นคนนักเรียนใหม่ผู้เริ่มต้นใหม่เราก็มารักษาถ้าเรายังไม่เคยรักษาศีลห้าเลยรักษาศีลห้ายังไม่ได้เราก็มาฝึกรักษาศีลห้ากันอย่างน้อยก็เอาอาทิตย์ละหนึ่งวันวันพระนี้ก่อนเพราะว่าโอกาสที่จะไปทำบาปมันน้อยถ้าเราไม่ไปทำมาหากินเรามาอยู่วัดนี้ เรามาถือศีลห้ากันก่อนแล้วเราก็มาทำบุญทำทานกันแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้กับผู้อื่นสงเคราะห์โลกสงเคราะห์ผู้ที่เขาตกทุกได้ยากเดือดร้อนหรือทำบุญกับพระศาสนาสนับสนุนให้พระพุทธศาสนาได้อยู่ในโลกนี้ไปนานๆเพื่อจะได้เป็นแสงสว่างนำพาชีวิต ให้ไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ทำบุญกับพระกับวัดก็ได้ทำบุญกับพระาศาสนาอาจจะเป็นการถวายปัจจัยสี่อาหารบิณฑบาตจีวรที่อยู่อาศัยกุติยารักษาโรคแล้วก็ถาวรวัตถุต่างๆช่วยกันบริจาคซื้อที่ดินสร้างวัดสร้างอะไรขึ้นมาปลูก ปลูกถาวรวัตถุที่ที่จำเป็นจะต้องใช้ในพิธีกรรมต่างๆขึ้นมา mm hmm. เพราะว่าพระพุทธศาสนานี้ก็เป็นเหมือนโรงเรียน mm hmm. ต้องมีที่ตั้งมีที่ศึกษามีที่ล่ำเรียนมีที่อยู่ mm hmm. เป็นโรงเรียนกินนอนของผู้ที่มาศึกษาค mm hmm. ือพระภิกษุสามเณร mm hmm. มาศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติ mm hmm. ก็ต้องมีวัดมีสถานที่ให้ปฏิบัติกัน เราชาวพุทธผู้เป็นผู้คองเรือนผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะบวชก็มามาเริ่มต้นมาเข้าโรงเรียนแบบชั่วคราวก่อนมาอยู่มาอยู่แค่หนึ่งวันหนึ่งคืนก่อนวันพระเป็นวันที่เราไม่ไปทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองเราก็เอาเวลานั้นมาสร้างบุญสร้างกุศลละการกระทำบาป มาทำคุณทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราโดยการละการกระทำบาปทั้งปวงบาปนี้ก็มีหลายระดับนะคือจะอเรียกว่าลหลายระดับก็ได้คือมีศีลห้ามีศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยสิบเจ็ดอันนี้ก็เป็นบาปการละเว้นจากการกระทำบาปการกระทา ที่เกิดโทษเกิดความเสียหายเบื <S <S อ้องต้นเราก็เริ่มต้นที่ศีลห้าก่อนถ้าเรายังไม่เคยรักษาศีลห้าเลยเราก็ลองมารักษาศีลห้ากันให้ได้แล้วก็ค่อยเพิ่มต่อไปเบื้องต้นอาจจะรักษาศีลห้าได้อาทิตย์ละหนึ่งวันก่อนแล้วต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันสามวัน วันที่ถึงแม้จะไม่มาไม่ไม่ไม่เป็นวันพระก็ลองรักษาต่อไปถ้าเรารักษาได้วันหนึ่งแล้วมันก็ไม่ยากที่จะรักษาวันต่อไปได้ต่อไปเราก็า จ, จะสามารถรักษาสีนห้าได้ทุกวันเลยก็ได้ไม่ทำบาป บ, บาปก็มีอยู่ห้าข้อในการคือหนึ่งไม่เดิมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองไม่ลักทรัพยาไม่ประท้วิติดสะเภาสี ไม่พูดโกหกรอบลวงแล้วก็ห้าไม่ดื่มของมุนเมาต่างๆเพราการดื่มของมึนเมาเราจะทำให้ขาดสติจะทำให้ทำบาปได้ง่ายนอกจากสินห้าแล้วก็ยังต้องให้ละอบายามุกด้วยเพราะอบายามุกนี้จะเป็นผู้สนับสนุนให้ไปทำบาปได้ง่ายขึ้น อบายามุขก็มีสุรายาเมาที่เป็นที่อยู่ในศีลห้าแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการเล่นการพนัน<ม>การเที่ยวเตะ<ม>การการครบคนอคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิสแล้วก็ความเกียรติค้าน<ม>ควรล็กเลี่ยงการกระทําเหล่านี้<ม>เพราะทำแล้วมันจะทําให้เกิดความ กดดันที่จะทําทให้ต้องไปทําบาปเพราะอาบายามุกนี้มันไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเล่นการพนันบางครั้งอาจจะได้มาก็ตามแต่มันพอได้มันก็โลภอยากจะเล่นต่ออยากจะได้อีกก็ไปเล่นต่อเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอไม่ได้ก็อยากจะได้คืนมันก็เล่นไปในที่สุดมันก็หมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินทองม า, มาเล่นก็จะต้องไปหาเงินทองมาโดยวิธีทุจริต ไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงเป็นต้นไปทําบาปเนี่ยเดินการพนันแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปทําบาป<ม>การเที่ยวก็เหมือนกันการเที่ยวตัวเไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเที่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินทองก็ไม่พอใช้<ม>ก็ต้องไปหาเงินทองโดยวิธีทุจริตเพราะไม่มีอาชีพอาชีพก็คือการเที่ยวนี่อาชีพที่ทํามาหากินที่มีรายได้ไม่ไม่ทํากัน มาทำอาชีพที่มีแต่รายจ่ายก็คือมาเที่ยวกันแล้วก็ความเกียดค้างก็ไม่ได้ทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาเวราเราจะมีรายได้ก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต่างๆแล้วก็การไปคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรก็ไม่ดีคือคบคนได้แต่ต้องอย่าไปคบคนที่เขา คือไม่ให้รังเกียจคนคบคนทุกคนได้หมดแต่ถ้าคนที่ชอบบาบายมุกเราก็อยากให้เขาชวนเราไปทั้งนั้นเองแต่ถ้าเราเก่งใจเขาเดี๋ยวเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราอย่างนี้ถ้าเราเก่งใจเขาเราก็ต้องไปกับเขาถ้าเขาชวนให้ไปเล่นการพนันก็จะต้องไปกับเขาชวนให้ไปเที่ยวก็ไปกับเขาชวนให้เกียรติคานเราก็ไปกับเขาอย่าอย่าคบแบบนี้ พบกันในฐานะมีความเมตตาต่อกันได้เป็นมิตรกันได้แต่ไม่ทำกิจกรรมที่ไม่ดีต่อกันไม่ร่วมกันถ้าดึงชวนเราไปให้ทำในกิจกรรมที่ไม่ดีเราก็ต้องปฏิเสธไป <c oughs> เพื่อที่จะรักษาความดีในตัวของเราไว้ <c oughs> เพราะการปเสธอบายยมุขนี้เป็นการทำให้เราเสื่อมลง <c oughs> จิตใจของเราจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ ้าจะทำให้เราต้องไปทำบาปต่อไปก็ได้อันนี้ก็คือเรื่องของการทาบาปที่พระเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามามาละกันแล้วก็ให้มาทำบุญกันตามตามกำลังของเรา ม, มีมากมีน้อยก็ทำไปตามกำลังของเราอย่าไม่ต้องไปมองคนอื่นว่าเขาทำเท่าไหร่ เราทาได้เท่าไหร่เราก็ทาไปเท่านั้น mm hmm. เพราะการทำบุญนี้เป็นเหมือนกับการกินอาหาร mm hmm. การกินอาหารของแต่ละคนนี้ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เท่ากัน mm hmm. คนตัวใหญ่ก็กินมากกว่าคนตัวเล็ก mm hmm. เช่นช้างช้างกินอาหารนี่มันกินมากกว่าหนู mm hmm. หนูมันกินนิดเดียวมันก็อิ่ม mm hmm. แต่ช้างนี่จะกินให้อิ่มนี่มันต้อง กินมากกว่าหนูหลายเท่าหลายร้อยเท่าด้วยกันอย่างใดบุญการทำบุญเพื่อความสุขใจอิ่มใจนี้ก็ทำตามกำลังของเรา mm. ถ้าทำแล้วรู้สึกไม่อิ่มก็ต้องทำอีก mm. ทำเท่าที่เราจะทำได้ mm. เพราะฉะนั้นไม่ต้องดูที่ผู้อื่นว่าเขาทำมากทำน้อยเท่าไหร่ mm. เราทำตามกำลังของเราไป มีมากเราก็ทำมากมีน้อยเราก็ทำน้อยขอให้ว่าให้ดูที่ใจของเราว่าใจเรามีความสุขมีความอิ่มใจหรือไม่ถ้ายังไม่อิ่มใจแล้วยังทำได้ก็ทำไปแต่ถ้ามันทำแล้วมันมีเท่านี้ก็ต้องพอใจกับการที่เราทำได้เท่านี้ไปก่อนแต่ขอแต่ขอให้เราได้ทำไปมากน้อยไม่สำคัญ ทำแล้วขอให้เรามีความสุขใจอิ่มใจเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาในใจเความสุขใจอิ่มใจนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว<ม>นี่คือสองข้อแรกที่พระุทธเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเราหมันทํากันอยู่เรื่อยๆละการกระทํำบาปและอบายามุขต่างๆแล้วก็พยายามทําบุญตามกําลังของเรา ถ้าเราไม่มีทรัพย์เราก็ทำอย่างอื่นก็ได้การทาบุญนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่างเดียวการเอาเวลาของเราไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเช่นเราไปเป็นอาสาสมัครไปช่วยทำงานมูลนิธิต่างๆหรือเวลาเราไปวัดนี่เขามีงานอะไรเราไม่มีเงินทำบุญหยอดตู้เราก็ไปช่วยทางานอย่างอื่น ไปช่วยเช็ดช่วยเช็ดชามไปช่วยกวาดถูสาราหรือทําอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันอยู่ที่ว่าเรามีอะไรเราก็ทําอย่างนั้นมีเงินมีทองเราก็ใช้เงินทองทําบุญเรามีกําลังมีเวลาเราก็ไม่มีเงินทองเราก็เอาเอาเวลาเอากําลังของร่างกายเราไปทํางานให้กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นวัดก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่เขามีความต้องการมีความขาดแคลนในแรงงานต่างๆเร า, าก็ไปช่วยกันทำงานกันหรือถ้าเราไมีวิชาความรู้เราก็ไปเป็นผู้ให้วิชาความรู้ต่อพูดไปบรรยายเรื่องราวต่างๆอาชีพต่างๆถ้าเราเป็น มีความรู้ทางอะไรเราก็เอาไปไปสั่งไปสอนคนอื่นโดยที่ไม่คิดเงินทองก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันคือทำคุณทำประโยช น, นย์ให้กับผู้อื่นให้กับสังคมให้กับผู้อื่นเขาได้รับความสุขแล้วการให้ความสุขแก่ผู้ น, นี้มันจะทำให้ความสุขนั้นกลับมาที่ใจของเราจะทำให้เรามีความรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมา ถ้าเราตายไปถ้าบุญที่เราทำนี้มันมีมากกว่าบาปที่เราทำนี่เราก็จะมีความสุขหล่นอเี้งจิตใจทำให้จิตใจของเราอยู่ในสุขติอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆแต่ถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญบาปนี้ก็จะสร้างให้ความทุกข์ให้ความวุ่นวายใจกับเรามันก็จะทำให้ใจเราต้องไปอยู่ในอบาย นนี้เป็นสิ่งที่ผู้เจ้าทรงสอนในเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธเราทุกคนให้ทำบาปให้น้อยที่สุดให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเสีย <c oughs> แล้วก็ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม <c oughs> ทำบุญได้มากน้อยเพียงไรแบบไหนก็ได้ <c oughs> ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทองใช้ข้าวใช้ของเพียงอย่างเดียว <c oughs> เอาเวลาไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับสะ <c oughs> กับผู้อื่นก็ได้ <c oughs> ไม่ว่ารือจะอวิชาความรู้ไปแจกจ่าย ใ, ให้กับผู้อื่นก็ได้อันนี้ก็จะถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสุขให้กับใจพอร่างกายตายไปใจก็จะได้ไปอยู่ในสุขติไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วก็พอพอหมดบุญแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพราะว่าเรายัางไม่ได้ไปกำจัดเหตุที่จะทําให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่ คือความอยากกิเลสตัณหาต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจของเราอยู่ถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็ต้องไปปฏิบัติทำข้อที่เรียกว่าไปทำภาวนาหรือ จ, จิตตะภาวนาเนี่เองไปชําระกิเลสให้หมดไปจากใจลักพอกใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็นกิจกรรมข้อที่สามที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรา ทำกันถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆกับอะไรต่างๆก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตตภาวนาคือสมถะภาวน า, มม า, า, วนาทำจิตใจให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วก็วิปัสสนาภาวนาสอนจิตใจให้ฉลาดให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก ให้เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดจากเกิดจากความอยากต่างๆเราก็ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ในโลกนี้มันนู่นเป็นของไม่เที่ยงในอนิจจังเป็นของชั่วคราวเราไม่สามารถไปทำให้มันเที่ยงได้ไม่สามารถไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวได้วันใดวันหนึ่งความสุขที่มันให้กับเราก็อาจจะหมดไปหรือเปลี่ยนไป กายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็คือปัญญาหรือการทำวิปัสสนาภาวนาก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของใจของเราเรื่องของความทุกข์ของใจของเราและการไม่ทุกข์ของใจของเราเกิดจากอะไร <c oughs> นะให้เห็นว่าสิ่งอะไรที่ทำให้ใจเราทุกข์ <c oughs> กันก็อย่าไปอยากได้มันมาสิ่งที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา น, นี้อย่าไปอยากได้มัน ก็คือทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดโลกกธ ร, รรมลาภยศทลเสรินความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายของเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องพยายามอดอยู่แบบที่ไม่ต้องมีร่างกายให้ได้อยู่แบบที่ไม่มีร่างกายได้ก็ต้องรู้จักการภาวนาเนี่ การภาวนาก็คือทำใจให้สงบการทำใจให้สงบได้ก็ต้องมีเวลาต้องมาถือศีลแปดกันเพราะว่าถ้าเราไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเราก็ยังจะถูกความอยากดึงให้เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นเล่กันอยู่พำให้เราไปเสพกามกันอยู่ไปกินไปดืม่มตามตามความอยากของเราไปร่วมหลับนอนกับแฟนของเราไปกินไปเที่ยวไปอะไรต่างๆ มันก็จะไม่มีเวลามาทําใจให้สงบได้มาอยู่วัดได้ถ้าเราอยากจะภาวนานี้เราต้องถือสิงหแปกันให้ได้แล้วก็ไปหาที่สงบเช่นตามวัดวารามต่างๆที่ห่างไกลจากสิ่งเย่อยวนกวนใจคือบาบยศสารเสริญสุขต่างๆเพื่อที่เราจะได้เจริญสติเพื่อควบคุมความอยากหยุดความอยากให้ทําใจให้สงบให้ได้ อันนี้เรียกว่าทมสมาธิเจริญสติทำเนี่ยธมะคือการยุติการหาความสุขจากการมกุณทั้งห้าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกตัง้งต้องมีเวลาเช่นวันพระเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้ให้ศรัทธาญาติโยมมาทำกิจสามข้อนี้โดยเฉพาะกิจข้อที่สามนี้ จำเป็นจะต้องใช้เวลามากใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนเลยยกเว้นเวลาหนับหนับเท่านั้นเองส่วนการไม่ทำบาปกับการทำบุญนี้มันก็มีเวลาของมันแต่เรื่องของการภาวานานี้ต้องทำทั้งวันทั้งคืนถึงจะได้ผลขึ้นมาถึงจะสามารถควบคุมกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้มันบทฤทธิ์ได้ให้มันไม่สามารถมายุโยงให้จิตใจของเราไป หาสิ่งต่างๆ ต, ต่างที่มันอยากได้ต่อไปถ้าเราสามารถทำได้เราก็จะได้ยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิด<ม>เราได้เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วแล้วเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์<ม>ที่จะมาสอนธรรมะสอนวิธีกําจัดกิเลสตัณหาตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกัน ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้และเราก็จะต้องอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เกิดแล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่ตายแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปใหม่หลังจากนั้นแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราต้องการให้มันสิ้นสุดเราต้องมีการปฏิบัติกันในวันพระกัน มาปฏิบัติทานศีลภาวนากันทําบุญทําทานและการกระทําบาปแล้วก็มาภาวนากันถ้าเรามีการภาวนามีการกระทําแล้วมันก็จะมีการเจริญก้าวหน้าเบื้องต้นเราก็มาทําวันหนึ่งก่อนพอทําไปแล้วสัมผัสกับผลที่รู้สึกว่าดีทําให้ใจเรามีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงมีความสงบมากขึ้นเราก็อยากจะทําเพิ่มขึ้นไปเอง ต่อไปก็จะเพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองวันสามวันสี่วันต่อไปก็จะไปอยู่วัดทีละหลายๆายวันทีละห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างสิบวันบ้างหรือบางช่วงถ้าเข้าพรรษาก็อาจจะไปอยู่วัดทั้งทั้งทั้งพรรษาเลยก็ได้ถ้าไปแล้วปฏิบัติได้ผลดีมากขึ้นขนาดมันก็ยิ่งจะทําให้เกิดกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็จะอยากจะออกบวชเอง ขอันนี้ไม่มีใครอยากจะบวชหรอกทุกคนเกิดมาไม่มีใครชอบบวชกันแต่เมื่อได้สัมผัสกับผลอันดีที่ได้จากการปฏิบัติแบบนักบวชแล้วมันก็อดที่อยากจะบวชไม่ได้เพราะความสุขที่ได้จากการปฏิบัตินี้มันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสารเสริญสุขนี่ดังนั้นเราต้องมีจุดเริ่มต้นในการที่จะพาจิตใจของเรา ให้ก้าวไปสู่ทางที่ดีที่งานที่สุขที่เจริญก็คือวันพระนี่วันที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราหยุดการทำงานทมหากินหนึ่งวันแล้วเอาเวลานี้มาให้กับการหาความสุขทางด้านจิตใจเอาเวลามากาจัดความทุกข์ทางจิตใจเอามาเอาเวลามากำจัดเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือกิเลสตัณหา ด้วยการปฏิบัติทำสามข้อใหญ่ๆก็คือหนึ่งละการกระทำบาปทั้งปวงสองสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาถ้าเราถ้าเราได้ทำกิจเหล่านี้แล้วรับประกันได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องบรรลุถึงผลอย่างที่พูะเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้บรรลุกันอย่างแน่นอน พอพระพุทธเจ้ากับพระสาวกก็ไม่ได้เกิดมาแล้วบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระสาวกเลยท่านก็ต้องทำปฏิบัติทำสามข้อนี้ด้วยกันทุกคนท่านก็ต้องละบาปท่านก็ต้องทำบุญท่านต้องทำละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าใครทำสามข้อนี้ได้ก็บรรลุมรรคผลมิพานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้นี่คือเรื่องของวันพระที่เอามาฝากท่านมานานนี้ จาคิดว่าขอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาทาวไาล้วา่าปูราปาลิปุริเณติสาขลังเอวเมวะอิตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปธิตังตุมหังทิพเมวะสมิจตุสัพเเปุเริเณตุสังกปา จันโทปนาราโสยธาเมณิจโตติอาราโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีตีขายุปภวะอภิวาธนสีลิสานิจังุทาปจายโน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 ท่านไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ผู้ติดตามทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติ482 YouTube พระสุชาติไลฟ์310 YouTube Dr.V ร50 Clubhouse 10วิทยุออนไลน์9ผู้รับฟังหน้ากุฏิ128คนรวมทั้งหมด เก้าร้อยแปดสิบเก้าครับครับคำถามจากผู้ฝากถามคุณสีดาพัฒเพิ่งปฏิบัติมาได้สักระยะเจ้าค่ะเห็นถึงความทุกข์ โลภะโมหะของตนเองสนใจเร่งปฏิบัติแต่มีสามีสามีปฏิบัติมาก่อนแล้วเป็นเวลาสิบกว่าปีกรณีนี้สามารถครองเรือนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยได้ไหมเจ้าคะใจคิดว่าถ้ามีวันหยุดก็อยากจะไปปลีกวิเวกไปปฏิบัติที่วัดเจ้าคะ่ะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยเพราะว่า การปฏิบัตินี้มันจะได้ผลมากผล น, น้อยก็อยู่ที่การปฏิบัติมากน้อยของเราถ้าเราต้องการผลมากในทางปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติมากถ้าเราปฏิบัติมากเราก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้น้อยลงอะไมันก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องเลือกว่าเราจะทำกิจทางครอบครัวกับกิจทางทางปฏิบัตินี้ อย่างไรจะแบ่งอย่างไรดีถ้าแบ่งห้าสิบห้าสิบก็ได้คนละครึ่งได้ความสุขทางโลกครึ่งหนึ่งแล้วได้ความสุขทางธรรมครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นว่าความสุขทางโลกเป็นของชั่วคราวสู้ความสุขทางธรรมไม่ได้เป็นของถาวรเราอยากจะได้ความสุขทางธรรมเราก็า จ, จะต้องอทิ้งความสุขทางโลกไปต่อไป แต่ในตอนนี้ถ้าเรายังไม่มีกําลังที่จะทิ้งมันเราก็ทําตามกําลังของเราไปเรื่อยๆก่อนคําถามต่อไปจากคุณสมพิษที่พระอาจารย์ว่าร่างกายของเราเมื่อตายไปแล้วจิตหรือกายทิพย์จะไปสู่ร่างใหม่แต่เหตุใดถึงไม่สามารถจําได้ว่าชาติก่อนเคยเป็นใครครับผมเมือ่อวานนี้กินอะไรยังจําไม่ได้เลยเนื่องจากชาติก่อนะ ความจำเรามันสั้นง่างไไหนหนะแต่บางคนคเขาจำก็ดีเขาจำได้เขาระลึกชาติได้แต่ระลึกชาติได้ต้องเข้าไปในสมาธิในระดับอุปจารสมาธิแล้วก็จะระลึกชาติได้ <Yeah. S 2> เพราะาสิ่งต่างๆที่เราทำอยู่มันฝังอยู่ในใจของเราเพียง <Yeah. S 2> แต่ว่าเราไม่มีกําลังที่จะไปดึงมันออกมา <Yeah. S 2> ต้องฝึกสติให้มาก <Yeah. S 2> สตินี่แหละจะเป็นผู้ที่จะมีกาลังที่สามารถไปดึงข้อมูล ต่างๆที่เราได้ทําไว้ในอดีตมาได้ถ้าเราฝึกสมาธิได้ระดับอุปจารสมาธิเราก็จะสามารถระลึกชาติต่างๆได้แต่ตอนนี้แม้แต่ชื่อคนบางทียังลืมได้เลยอย่างครั้งที่ยังไม่ไม่ได้จากกันเพียงแต่ไม่ได้เจอกันสักครั้งหนึ่งก็ลืมนะหรือถ้าเจอกันเพียงครั้งเดียวแล้วแนะนาชื่อนี่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเราก็ลืมนะนั้นมันอยู่ที่ความจาของเราเอง ความจำของเรามีมีมีมีกำลังน้อยถ้าอยากจะมีกำลังมากต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้มากๆ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณไตรอยากทราบว่าการทำโรงผลิตเบียร์กับการจัดจำหน่ายควรทำหรือไม่ครับผิดหรือไม่ครับมันเป็นอาชีพที่พระเจ้าไม่ส่งแนะนำให้ทำคือไม่เป็นสามาอาชีพ เพราะอาชีพเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทํำบาปเราไม่ได้เสพเองก็ตามแต่มันก็เป็นการส่งเสริมเป็นการผลิตจําหน่ายให้ผู้ที่เขาต้องการจะจะเสพได้เสพสุรายางมา ม, มันก็เป็นหนึ่งในข้อห้ามของศาสนาอนู่ในศีลห้าเพราะความเพราะว่าสุรายนี้ทําให้คนเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาขาดสติ ดูเราดูด im im, im, okay, uh ูคนที yes. hmm. days, ่ไม่ดื่มกับคนที่คนเดียวกันเนี่ยเวลาที่เขาดื่มเหมเวลาที่เขาไม่ดื่มเหมือนกันนะเวลาที่ดื่มแล้วเมาเนี่ยโอ้โหกิริยาการนี่ไม่เรียบร้อยไม่สวยงามเลยแต่เวลาที่เขาไม่ดื่มนี้กิริยาการเขาจะดีเขาจะเรียบร้อยเพราะเขามีสติคอยควบคุมกิริยาของเขาได้แต่เวลาดื่มแล้วมึนเมานี่มันไม่มีสติที่จะควบคุมกิริยาการได้ ถ้าคิดไม่ดีกับใครก็อาจจะไปทําร้ายเขาได้ทันทีเลย<อ>เพราะฉะนั้นอย่าทําอาชีพต่อนี้เพราะเป็นการส่งเสริมให้คนเมาแล้วก็เกิดเกิดการกระทําร้ายต่อกันเช่นเดื่มแล้วเมาแล้วขับนี้ขับเนี่ยทุกวันนี้เราขับรถบนทน้องถนนนี้เราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่กันตายจากคนที่เดือบโชยายาเมานี้ก็มีขับแล้วมึนเมาขึ้นมาแล้วก็ขับรถแบบควบคุมไม่ได้ อย่าทำอาชีพที่ทำให้เกิดความเสียหายตามมาคำถามต่อไปจากคุณโกถ้าเราทำบุญโดยคุณพ่อแม่ก็ปรารถนาที่จะร่วมบุญด้วยแต่ตอนทำเป็นเงินของเราทั้งหมด คือเราไม่อยากให้ท่านต้องจ่ายเพราะคิดว่าเงินเราก็คือเงินของคุณพ่อกับแม่อย่างนี้คุณพ่อคุณแม่จะได้บุญด้วยอย่างไรครับไม่ได้เราต้องเป็นเงินของคุณพ่อคุณแม่ก็เราก็ให้เงินคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะทำบุญเขาก็จะทำ <Arbeit. S 2> แต่เราอย่าไปบอกว่าเอาเงินนี้ไปทำบุญนะเพราะถ้าไปบอกอย่าง ما, นี้เหมือนกับไปใช้เขาไม่ได้ไม่ไมไม่ได้เป็นเงินของเขาต้องบว่าให้เงิน ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่จะไปใช้อะไรตามใจสะดวกอันนี้เพราะการทำบุญมันต้องมีความสบลับใจมีความยินดีที่จะทำมันถึงจะได้บุญแต่ถ้าทำเพราะถูกบังคับเนี่ยนเนี่ยบางทีมันไม่ได้บุญคำถามต่อไปจากคุณสีดาพัฒนั่งสมาธิ ถือสินห้ามาได้สักพักครับทำงานกับคนหมู่มากแต่ว่าจิตตอนนี้รู้ว่าที่ตนเองอยู่นั้นมีแต่ทางโลกล้วนๆจึงรู้สึกกลัวขึ้นมาเป็นบางช่วงที่ต้องอยู่กับคนเหล่านั้นเราควรฝึกตอนอย่างไรครับก็พยายามหาเวลาเปลียตัวจากเขาและเวลาที่อยู่กับเขาก็อย่าไปทำตามเขาถ้ามันเป็นการกระทำที่ไม่ดีเราก็อย่าไปทาตามเขา ถ้าเราไม่สามารถอยู่กับเขาได้เราก็ต้องเราก็ต้องแยกตัวเราออกจากเขาไปคำถามต่อไปจากคุณกุศริน ปัจจุบันอายุ53ปีต่อไปอาจจะมีเวลามากขึ้นเพราะไม่ต้องเลี้ยงหลานแล้วจะได้กลับบ้านที่อุดรได้ฟังเทศได้ใส่บาทเกือบทุกวันเจ้าคะ่ะอยากปฏิบัติสมาธิภาวนาต้องเริ่มต้นทำอย่างไรเจ้าคะ่ะก็ง่ายๆให้ฝึกสติก่อนนะต้องคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดด้วยการใช้คำิกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลย อย่าป่อให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดอําน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปกินอาหารก็พุโทโธไปคอยคุมความคิดไปถ้พาพอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตานั่งขัดสมาธิได้ก็นั่งขัดสมาธิขัดสมาธิไม่ได้นั่งพับเพียบก็ได้หรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แล้วก็หลับตาแล้วก็นึกถึงพุโทโธพุโทโธตามที่เราได้ทํามาตั้งแต่ ตื่นเนียไม่ต้องไปคิดอะไรให้อยู่กับพุโทโธคำเดียวอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธจนกว่ใจจะเนื่งสงบแล้วถึงข้อหยุดพุโทโธได้คาถามต่อไปจากคุณแดนพยายามรักษาสติในแต่ละวันด้วยพุโทโธธรมโมสังโฆวันพระก็จะรักษาอุโบสถศีลและพยายามนั่งสมาธิก่อนนอน อยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าปฏิบัติประมาณนี้จะสามารถเข้าถึงการเป็นพระโสดาบันได้หรือไม่ครับเพราะปัจจุบันนี้ตัวผมเองก็ยังกลัวตายและก็กลัวความเจ็บครับถ้ามันเข้าได้ถ้ามันได้มันก็ได้ไม่นานแล้วละ่ะถ้ามันไม่ได้ก็แสดงว่ามันปฏิบัติน้อยไปคนที่จะเข้าลําดับพระโสดาบันได้นี้ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเป็นส่วนใหญ่อพราะฉะนั้นต้อง ต้องไปอยู่แบบนักบวชนักบวชแล้วก็ปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิพิจารณาปัญญาไม่ทำอะไรอย่างอื่นที่ไม่จำเป็นจะต้องทำให้อยู่กับงานเหล่านี้เท่านั้นะโอกาสถึงจะเป็นพระโสดาบันได้แต่ถ้าปฏิบัติแค่เวลาครึ่งชั่วโมงนี้อย่าไปอย่าไปฝันเลยนอกจากว่ามีบุญเก่าติดตัวมาแล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นแต่ถ้ามันมี ถ้ามมีบุญเก่ามันก็ต้องบรรลุได้เป็นนานแล้วมีทามีคำถามตรงนี้ก็ถามก่อนใช่จงมาเลยถ้าอยากจะถามก็เข้ามาได้กลับกลับนวัต ก, การเัาพูดใกล้ๆ่อยกลับนวัต ก, การเขาเอา่อ ปฏิบัติสมาธิแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลมหายใจหายแล้วเกิดความกลัวครับแล้วปฏิบัติต่อจับลมันไปไม่ได้ไ ม, ไ, ม ไ, มไม่มีอะไรน่ากลัวลมหายไม่ได้หมายความว่ามันไม่หายใจมันเพียงแต่ละเอียดแล้วจับลมไม่ได้มันตราบใดที่เรามีสติรู้อยู่ไม่ตายาบอกให้เลยให้รู้เฉยๆไปรู้อยู่กับความว่างไปจิตมันกำลังจะปล่อยลมแล้วจะเข้าสู่สมาธิ ให้รู้เฉยๆไปสักแต่ว่ารู้ปไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องตกใจไม่ต้องหยุดทำทำไปต่อดูดูที่เดิมดูที่จุดที่เราดูอยู่มันไม่มีลมก็ร่วมไม่มีลมก็รู้รู้อย่างนั้นไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิขึ้นมาไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีใครตาอจากการนั่งสมาธิ ตายจากการนั่งกินเล่ามากกว่าครับขอบคุณครับคำถามต่อไปจากคุณวราทิพยมนั่งสมาธิ เราไม่สามารถจับลมที่ปลายจมูกได้เลยลองระลึกถึงผมขนเล็บฟันหนังของโยมเองปรากฏว่าจิตตั้งมั่นขึ้นมาในระหว่างที่จิตตั้งมั่นนั้นโยมต้องภาวนาพุทโธหรือไม่ครับและควรทําอย่างไรในขณะที่จิตตั้งมั่นสิ่งที่โยมปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ครับถ้าเข า, าตั้งมั่นนี่มันสงบหรือเปล่ามันนิง่งหรือเปล่าถ้ามันยังไม่นิ่งก็ดูผมขนเล็บฟันต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะนิ่งจะสงบ มันจะเย็นจะสบายมีความสุขเราก็หยุดได้ให้รู้เฉยๆได้โดยที่ไม่มีความคิดต่างๆเกิดขึ้นมาคําถามต่อไปจากคุณไตรเคยพูดจาไม่ดีกับคุณแม่ไม่ทราบว่าจะแก้ไขบาปตรงนี้ได้อย่างไรครับเราเจอแม่ ก, ก็กราบแม่ขอโทษแม่ไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามอยากไปทําอีกพยายามห้ามใจเวลาที่คิดจะพูดไม่ดีกับแม่ ก, ก็ ต้องพยายามหยุดมันหมดแล้วเรโอเคคือการกระทาที่ไม่ดีหรือบาปต่างๆไม่ดีมันทำไปแล้วเราไปล้างมันไม่ได้ mm hmm. เพียงแต่เราป้องกันไม่ให้มันทำใหม่ได้ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีเวลามันคิดไม่ดีก็หยุดมันเสียเช่นเวลาคิดอยากจะไปทำร้ายใครก็ใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธหยุดมัน mm hmm. แล้อคิดถึงผลของการกระทาที่ไม่ดีตามมา ว่ามันทำให้เราเป็นคนไม่ดีทำให้เราเป็นคนคนที่ไม่มีใครเขาจะรักจะชอบเราองี้เราก็จะได้หักข้ามจิตใจได้แต่อดีตที่ทำไปแล้วเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้แต่เราใช้ใช้มันมาเป็นอาจารย์สอนเราได้ว่าทำอย่างนี้ไม่ดีนะต่อไปนี่อย่าไปทำมันอีกอันนี้ก็ทำได้เท่านี้มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม โอเคถ้าไม่มีก็จะได้เอาเอา ไ, ได้นะเข้ามาสิเข้ามาเสียงไม่ได้ยินอให้ให้เม่ชีก่อนคือคือคื อ, คอตัวเม่ชีเองนะค ะ, ะคุยกายกายเปล่าตัวเม่ชีเองน่ะรักษาสินเปรตมานานแล้วแต่ทั้งลูกน่ะไม่ได้จบบัณฑิตแต่ตัว น, นี้มีความหวังว่าจะสําเร็จจะสําเร็จทางธรรมให้ได้ คือเอาชีวิตไปเดิมพันจะทำํำยังไงอะท่านก็เ น, นี่ยอมตายไงไปอยู่คนเดียวในป่าแล้วก็โปร่งตายให้ได้ไม่ยอมยอมตายอะไรจะมากัดมากินอะไรจะมาทำร้ายก็ให้มันทำํำแต่ก็บรรลุได้อันนี้เรากลัวตายเพราะเรายังยึดติดกับร่างกายยังไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นตุ๊กาตาตัวหนึ่งที่เรามาเล่นกับมันได้มาจากพ่อแม่ ไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายตายไปเราก็ยังไม่ได้ตายไปกับมันไี่ไปกลัวตายทำไมเพราป่อนนี้ตายไปทั้นนี่ก็บรรลุได้ละถ้าสิ้นแปดให้ตลอดก็มันไม่อยู่สิน้นแปดเราอยู่ที่ว่าเรามีสติหยุดหยุดความอยากเราได้ไหยหยุดความอยากไม่ตายได้หรือเปล่าถ้าหยุดความอยากไม่ตายได้ก็ก็บรรลุได้ ต้องต้องมีสติควบคุมจิตให้อยู่อารมณ์เดียวใช่ไหมท่นานให้เป็นอุเบกขาตลอดเวลาอ่ากราบนมัส ก, การโยกยศเอาชีวิตลืมผ่านเหตุการณ์หน้ากลัวก็หยุดมันหยุดความกลัวได้มันก็มันรู้ได้ทสติเยอะๆให้มีอารมณ์เดียวโอเคเจ้านมัส ก, การเจ้าค่ะพูดดงังๆหน่อยพูดตรงตรงกลุ่มรบกวนสอบถามเจ้าค่ะ ลูกหลานก็ใจถูกไหมคะเห็นเคยอ่านเได้ยิเลยนะครับเอาแม่เก็ออก เ, เหมือนที่ได้ยินพระอาจารย์เคยเทศว่าถ้าเวลาทำสมาธิให้ทำสมาธิเวลาเจริญปัญญาก็ค่อยเจริญปัญญาค่อยคิดใช่แต่ว่าค่ะก็เลยแต่ชีวิตประจวันจริงๆก็คือเราไม่คงไม่ได้นั่งสมาธิมาเป็นพื้นได้ก่อนมันก็เลยเหมือนกับว่าเวลาจริงๆมันก็ต้องครุกมันก็ต้องคิด แต่ว่าคิดก็รู้ว่าไม่มีกำลังที่จะคิดอสุภะอะไรขนาดนั้นใช่ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวก็คือพยายามผมคนเล็บฟันหนังแต่มันไม่ออกมาอย่างนั้นมันออกมาเป็นเผาศพอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ชัด ได้ขนาดนั้นเท่าที่ตอนนั่งสมาธิอขอพระอาจารย์เมตตาแนะนําว่าจะไปยังไงต่อหรือว่าใจยังไงนะเจ้าค่ะก็สติเราไม่มีกําลังควบคุมความคิดได้สั่งให้มันคิดมันไม่ยอมคิดกิเลสมันสู้มันต่อต้านเจ้าค่ะเราต้องฝึกสตินั่งสมาธิทําจิตให้หยุดคิดให้ได้ก่อนอให้นิ่งก่อนพอหยุดความคิดได้แล้วทีนี้เราก็สั่งให้มันคิดทางทางอสุภะได้เจ้าค่ะ มันข้าไม่ได้หรอกข้ามสมาธิไม่ได้ออค่ะคิดก็คิดได้ไม่ลึกซึ้งพอเพราะว่ากิเลสมันไม่อยากไม่คิดใช่เจ้าค่ะเหมือนมันเหมือนสู้กันอย่างนี้เราก็เลยไปต่อไม่ได้เลยเเจ้าค่ะอามาฝึกสติอยู่ความคิดก่อนดีกว่าได้เจ้าค่ะพุทโธพุทโธไปเจ้าค่ะเแล้วยังสมาธิอาเชิการธรรมจักรค่ะหลวงพ่อ คือหนูมีความทุกข์ที่เกิดจากความปรารถนาดีต่อคุณแม่นะคะ อ, อ, อ, อแล้วก็คุณแม่ไม่ได้เชื่อในความปรารถนาดีของเราเราก็เลยเป็นทุกข์อะค่ะคือความปรารถนาดีนี่มันต้องแยกออกจากความอยากให้ได้เวอาเรามีความปรารถนาดีนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่เราอยากไปอยากให้เขายินดีออกับความปรารถนาดีของเราไอ้ตัวนั้นแหละที่ทําให้เราทุกข์ไม่ใช่ความปรารถนาดีของเรา เมื่อเรามีความปรารถนาดีเขาไม่ต้องการเราก็เราก็ต้องหยุดเราก็ต้องเฉยเฉยไปเราก็จะไม่ทุก็คือต้องปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่ได้ตามนั้นใช่ต้องต้องยอมรับต้องทําใจให้เป็นอุเบกขาวางเฉยเราทําหน้าที่ของเราแล้วแต่เขาไม่ต้องการเราก็ช่วยไม่ได้ที่เราทุกข์เพราเราอยากให้เขารับความปรารถนาดีของเรา ซึ่งในสายตาของเขาอาจจะเป็นเรื่องทําให้เขาําคาญก็ได้ตามปัาถนาดีของเราดงนั้นเขาก็อาจจะรับไม่ได้ดงั้นเราต้องมองเราต้องดูว่าเขารับในสิ่งที่เราให้เขาได้หรือไม่ถ้าเขาไม่รับเราก็ต้องหยุดถ้าโยมาเงินไปให้เขาแล้วเขาไม่เอาโยจะทําไงก็เก็บไว้ใช่ไหมถ้าเท่านันะ้นแหละสาธุคนะ่นะนะนะนะนะ มีคําถามจากทางเฟซบุ๊กคุณพัทรพรโยมพยายามให้จิตนิ่งที่ปลายจมูกแต่เหมือนมีกระจกสะท้อนปลายจมูกลอยมาที่หน้าโยมและต้องคอยกําหนดใหม่ตลอดครับขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับก็ต้องกําหนดไปเรื่อยๆเพราะว่ากิเลสมันไม่ยอมให้เราอยู่ที่ที่ที่ปลายจมูกมันพยายามที่จะดึงให้เราไปมีอะไรให้ ให้เราไม่ให้เราจดจ่ออยู่ที่จุดนั้นถ้าดูลมไม่ได้ก็ลองใช้คำบริกรรมพุโทโธแทนไปก็ได้หมแนแะี้มีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเลิกแล้วอย่าอย่าเข้ามาถามเนี่ยเพราะไม่สะดวกแต่ยาีท่านดีก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ